อุพาหิกายะวูปะสมณะว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ด้วยอุพาหิกะวิธีภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่มีเสียงเสิงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้น เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยอุปภาหิกะวิธีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคุณสิบประการสงพึงแต่งตั้งด้วยอุปภาหิกะวิธีคือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจระมีปกติเห็นภัยในโทษที่มีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตะสั่งสมสุตะธรรมเหล่านั้นใดที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดย่อมสรรเสริญพรหมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์ครบถ้วนทมทั้งหลายเห็นปานนั้น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 5. เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่ต่อสู้ในอธิกรณ์ยินยอมเข้าใจเพ่งเห็นเลื่อมใส 6. เป็นผู้ฉลาดเพื่อยังอธิกรณ์อันเกิดขึ้นให้ระงับ 7. รู้อธิกรณ์ 8. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 9. รู้ความระงับแห่งอธิกรณ์ 10. รู้ทางระงับ อาธิการภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองคุณสิบนี้ด้วยอุปพาหิกาวิธี